ข้อความในคุตการนิกายติบุตกะนะครับในธรรมสูตรต่อจากครั้งที่แล้วว่าครั้งที่แล้วพูดถึงปุเพนิวาสารสติญาณ น, นะครับนี่ก็มาขึ้นจุตูปปารตญาณที่พระองค์ตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่พระจักโศอันบริสุทธิ์เรื่องจักโศ ข, ของมนุษย์ ย่อรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายะทุจริตนะครับมีความชั่วทางกายวาจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบัตินะรกอันนี้เป็นกรร ม, มสมถานที่ชัดเจนนะชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วก็ด่าพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิด้วยนะครับ คติสัมปรายพโดยมากก็อบายทุกคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตนะครับมีความดีทางกายวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังอุบัตเลวประณิดมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซาม ได้ดีตกยากด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีเธอได้บรรลุวิชาที่สองนี้กําจัดอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกําจัดความมืดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร น, นะครับมีตนส่งไปอยู่นะครับซึ่งท่านพระตรัฐาอธิบายว่า บทว่าทิพเพนะจักรคูณานี้คําใดที่ควรกล่าวคํานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วทั้งหมดในหนหลังนะครับเกี่ยวกับคําว่าตาทิพ น, นะได้อธิบายไว้แล้วบทว่าวิสุทธเณณความว่าทิพจักสุชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์เพราะเป็นเหตุแห่งทิถิวิสุทธินะครับทิพจักสุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะต้องหมายถึงเรียกว่าเป็นเหตุให้มีทิถิวิสุทธิโดยมองเห็นสัตว์ผู้จุติและอุบัติ คือหมายก็ว่าเห็นทั้งเกิดและตายอธิบายว่าภิกษุใดหรือผู้ใดเห็นเพียงสัตว์ที่จุติเท่านั้นไม่เห็นสัตว์ที่อุบัติผู้นั้นย่อมถือเอาอุเฉท ท, ทิธินะครับรู้แต่ตายไม่รู้ว่าเกิดอีกนะครับเออก็ตายแล้วก็จบสัทีหนึ่งสบายสัทีหนึ่งหมดทุกข์หมดโศกหมดเวรสัทีหนึ่งนนลักษณะนี้เป็นอุเฉท ท, ทิธิคือคือไม่ได้คิดเลยหลังไปกว่านั้นเลย นะครับคิดก็มีเออมีแค่ตายและชีวิตก็มีแค่ตายส่วนผู้ใดเห็นเพียงสัตว์ที่อุบัติเท่านั้นคือเห็นแต่เริ่มปฏิสนธิเท่านั้นไม่เห็นสัตว์ที่จุตินะครับพวกนี้คิดถึงแต่ตอนเกิดที่สุนั้นย่อมถือเอานวสัตตปาตุภาวะทิฏฐิคือทิฏฐิที่ความปรากฏในสัตวาะใหม่นะครับอันนี้นวะนี่ก็แปลว่า9้านะที่จริงควรแปลว่าใหม่คือเพิ่งเหมือนกับเพิ่งเกิดอะนะ คือไม่ได้มองว่ามีอดีตชาติอะไรหรอกนวะตัวนี้แปลว่าใหม่เหมือนกับเพิ่งเกิดนะครับเพราะฉะนั้นว่าสัตว์เหล่านี้เหมือนกับเพิ่งเกิดเท่านั้นเองนะครับก็เพราะเหตุที่ภิกษุผู้เห็นทั้งสองอย่างย่อมก้าวล่วงทิฏฐิแม้ทั้งสองได้คือเห็นทั้งจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะครับเห็นสมมุติว่าเห็นจุติของอดีตชาตินะครับมาเห็นจุติปฏิสนธิในพบใหม่เห็นจุติในชาตินี้แล้วก็เห็นปฏิสนธิเป็นต้นในพบใหม่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเพราะพิกษุผู้เห็นทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับย่อมก้าวล่วงแม้ทิฏฐิทั้งสองอย่างคือทั้งอุเฉททิฏฐิและนวสัตตะปาตุภาวะทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นทัศนะนั้นของพิสูุนนั้นจึงเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธินะครับอันนี้จึงที่เรียกว่าเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็ลักษณะของประเภท เพราะนี้มีกา ร, รมสกตาด้วยนะครับก็คือปัจจยะปริกรหายานหรือปฏิจจสมุบาติเขาจะมั่นคงนะครับเพราะว่าไอจุติและปฏิสนธิเนี่ยโดยเฉพาะปฏิสนธิในภพใดเป็นต้นเนี่ยก็เนื่องด้วยกรรมทั้งหลายนั่นเองก็พิสูุน์ผู้เป็นพุทธบุตรนี้ย่อมเห็นทั้งสองอย่างคือเห็นสัตว์ทั้งที่กําลังจุติและสัตว์ที่กําลังอุบัติด้วยเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าที่พระจักสุชื่อว่าวิสุทธิบริสุทธิ์เนี่ยนะครับ เพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิโดยมองเห็นสัตว์ผู้จุติและอุบัตินะครับมองเห็นทั้งเกิดและตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเ น, นี่ยนะครับโดยความเป็นขันห้าเนี่ยนะครับที่พิจารณาทุกขสัตว์เนี่ยนะเขาเริ่มพิจารณาตั้งแต่ชาติพิทุกขาเลยนะครับ ชาติพิทุกขาจนถึงมรณะพิทุกขังเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายว่าในระหว่างนี้นี่นะครับในระหว่างจากเกิดไปถึงกายตายเนี่ยประกอบด้วยโสกะปริเทวทุกขโทโมนัตและอุปายาตเนี่ยนะครับทีนี้มันไม่ได้มีชีวิตแค่ชาตินี้พบนี้พบเดียวนะครับจากปฏิสนธิมหาจุติเท่านั้นมันมีว่าหลังจากจุติไปแล้วก็จะมีปฏิสนธิอันใหม่อีกนะครับแล้วก่อนที่จะมาปฏิสนธิอันนี้ก็มีจุติอั น, อ, นอันเก่านะครับ เพราะฉะนั้นจุติปฏิสนที่จุติปฏิสนที่จากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเนี่ยนะครับเวียนไปในลักษณะนี้นะผู้ที่มีความเห็นในลักษณะนี้เรียกว่าผู้ที่มีความเห็นที่บริสุทธิ์นะครับนะเป็นยถาภูตยานัศสนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องอย่างบริสุทธิ์ผองแผ้วจริงๆนะครับเพราะว่า ผู้ที่เห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นความเป็นไปแห่งสังสารวัตนะครับตามแนวปฏิจจสมุปบาทเลยนะครับเพราะว่าวิชามีสังขารจึงมีสังขาร ม, ามีวิญญาณจึงมีเป็นต้นนั่นเองนะครับอันนี้ถึงขยายคําว่าทิพจักรสูอันบริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะว่ารู้ทั้งจุติและปฏิสนธิละได้ทั้งอุเฉททิฐิและนวะสัตตปาตุภาวะทิฐิ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พระจักสูชื่อว่าวิสุธทธิหรือบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเพราะเว้นจากอุปกิเลส11อย่างนะครับเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าที่พระจักสูนี่นะครับชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วเพราะไม่เข้าไปเศร้ามองด้วยอุปกิเลส11อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าดูก่อนอนุรุธทธะเราย่อมรู้ว่าวิจิกิจาเป็นอุปกิเลสของจิตดังนี้แล้วจึงละ ว, วิจิกิาร อันเป็นอุปกรณ์แห่งจิตเสียได้นะครับข้อหเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องเศร้ามองของจิตอย่างที่2ก็คืออโยนิโสมนัสการก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตนะครับ 3. าทีนามิทะก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิต4นะครับความหวาดเสียวอันนี้ก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตนะครับ 5. ความเย่อหยิงก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิต6ก็ความชั่วร้าย ชั่วร้ายนี่บาลีว่าไงครับเนี่ยนะที่พูดถึงอุปเกเรตของจิตสิอย่างนะครับนนะข้อ1วิจิกิจฉา 2. อโยนิโสมนัิการ 3. ามีนมิทะสี 4, ความหวาดเสียว 5. ความเย่อหยิ่ง 6. ความชั่วร้ายนนทุตทุนรังนะครับความชั่วนะนะครับแล้วก็7นะครับความเพียรที่ปราลบเกินไปนะครับแ ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป9นะครับตันหาที่คอยกระซิบ10นะครับความสําคัญภาวะว่าต่างกันแล้วก็11นะครับลักษณะที่เพ่งเกินไปที่จริงแล้วพระพธิองค์เนี่ยนะครับตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะรพระองค์ผ่านพวกนี้ทั้งหมดนะครับพระองค์วิจัยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปกิเลสของจิตนะครับแล้วพระองค์ก็ขจัดสิ่งเหล่านี้เสียนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าทธิประจักสุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะครับคําว่าบริสุทธิ์นี่ก็คือไม่มีอุปกรณ์ทั้ง11อย่างนี้เข้าไปทําให้จิตเหล่านั้นเศร้าหมองเลยชื่อว่า9้าล่วงจากสุอันเป็นของมนุษย์เพราะเห็นรูปได้ไกลเกินกว่าทัศนวิสัยอันเป็นอุปจาระของมนุษย์เพราะมนุษย์ก็จะมองเห็นแบบตาเปล่าตาธรรมดาทั่วไปก็จะเห็นอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าก้าวล่วงจากสุขอันเป็นของมนุษย์เพราะก้าวล่วงมังสะจากสุขอันเป็นของมนุษย์คือตาธรรมดาธรรมดาแบบมนุษย์ด้วยที่พระจากสุขอันบริสุทธิ์ล่วงเสียซึ่งจากสุขของมนุษย์นั้นบทว่าสัตเตปั ส, สติความว่าย่อมเห็นคือมองดูได้แก่เล็งเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายเหมือนมนุษย์มองดูด้วยมังสะจากสุขก็เหมือนกับเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละครับในบทว่าจวะมาเนอุปัจชมาเนนี้ท่านแสดงความว่า ในขณะที่จุติหรือในขณะที่อุบัติพระรยาบุคคลไม่สามารถจะเห็นได้แม้ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ที่จริงนะจุติจิตกับปฏิสนธิจิตเนี่ยพระรยาเจ้าท่านมองไม่เห็นหรอกครับเนี่นะเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าที่พูดว่าจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะครับหมายเอาสัตว์ใกล้จะจุตินะครับว่าจักจุติในบัดนี้ นะครับสัตว์เหล่านั้นประสงค์เอาว่ากําลังจุตินะครับเช่นะก่อนตายสักวินนาทีหนึ่งอะไรลักษณะเนี่ยนะไอเอาเน้นไปที่ตรงนั้นนะครับและสัตว์เหล่าใดถือปฏิสนธิแล้วหรือเกิดแล้วในบัดเดี๋ยวนี้สัตว์เหล่านั้นท่านประสงค์เอาว่ากําลังอุบัติคือหลังจากปฏิสนธิแล้วไม่ใช่ขณะจิตอันนั้นนะครับอันในขณะจิตอันนั้นผู้ที่จะอธิบายได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ พระรยะบุคคลย่อมเล็งเห็นสัตว์เหล่านั้นผู้กำลังจุติผู้กําลังอุบัติเห็นป่านนี้นะครับคือก่อนจะตายนะแต่ว่ามันแวบเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วก็หลังเกิดแว บ, บเดียวนี่ย น, นะท่านอย่างถึงขนาดนั้นแต่ว่าโอ้ขณะปฏิสนธิเนี่ยจิต ด, ดวงนั้นเท่านั้นเท่านั้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้หลังจากที่ตายแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นต้นเนี่ยนะครับ อธิบายว่าหีเนนะครับสามเนี่ยนะหมายถึงว่าไปเกิดในพบที่หน้าดูหมิ่นหน้าดูแคลนด้วยสา ม, มารถแห่งชาติตระกูลโพคะเป็นต้นเพราะประกอบด้วยผลของโมหะนะครับนะหมู่สัตว์ที่เลวเนี่ยนะเพราะเป็นผลของโมหะนะโมหะเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลที่เลวที่หน้าดูหมิ่นที่หน้าเหยียดย้ําตระกูลก็ถ้าเป็นมนุษย์ก็ตระกูลต่ํานะครับชาติสามนะครับชาติที่ใครร้องยี้เลยนะเช่นเอธิโอเปียเนี่ยนะครับใครแม่ไปเที่ยวก็มีอยากไปกันแล้วนะครับ นะเพราะฉะนั้นตระกูลก็ตามโพคาเนี่ยนะเป็นผลของโมหะนะครับหรือว่าถ้าประณีตนะ์ปณีต์นะความว่าตรงกันข้ามกันเลว3านั้นเพราะประกอบด้วยผลของอโมหะนี่เป็นผลของบัญญาตินะครับก็ทำให้ชาติตระกูลและก็โพคาเป็นต้นเนี่ยดีบทว่าสุวันเนประกอบแล้วด้วยวันณนะอั น, นะ น, นหน้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเพราะประกอบด้วยผลของอโทสั นะครับคนที่มีผิวพรรณงามนั้นแสดงว่าเป็นผลของเมตตานั่นเองนะครับทุพพเนความว่าประกอบด้วยวันณนะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเพราะประกอบด้วยผลของโทสะนะครับของผมเนี่ยดูผิวแล้วน่าจะใช่เลยนะครับผมนั่งนั่งนับดูนะในมือเนี่ยนะครับผมมีตําหนิที่ที่หน้านะดูตําหนิแล้วประมาณร้อยกว่าแห่งนะครับในมือทั้งสองข้างเนี่ยนะ นะนับแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยโอ้ยนะครับมันมีแผลเป็นตั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็ดูโอ้โหนี่ไม่ใช่ผลบุญเลยนะเนี่ยนะครับนี่ผลบุญนะมันนํามาเกิดนั้นยังมีรอยบินรอยโอ้ไม่ได้เรื่องอะไรแ้เลยนะครับนี่เป็นผลของไม่ใช่ไม่ใช่เมตตาแน่นอนนะครับโทสะอย่างนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบตราบาปได้เลยนะโอ้โหนี่ไม่ใช่ผลบุญนะเนี่ยทำทันยาประมาทนะเนี่ยดีแล้วว่างั้นเนี่ยนะประมาทปล่อยให้โทสะกาเริบเสิบสารหนักกว่นี้อีกวงั้นอธิบายว่าคนรูป ไม่งามนะครับแต่ผลโทสะนะแต่ถ้าหากว่าผลของโทสะแนละ้วก็เป็นคนรูปงามนะครับดูตรงไหนก็ น, น่าดูน่าชมโอ้ยนั่งชมได้ทั้งวันไม่เบื่อเนี่ยนะแต่ก็อย่าไปติดอี ก, กแล้วกันล่ะบทว่าสุคเตนะครับคือเกิดในสุขติได้แก่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากเพราะว่าประกอบไปด้วยวิบากของอโลพะนะเกิดในตร ะ, ะกูลร่รํารวยหรือตระกูลยากจนเนี่ยนะ บทว่าทุกคเตความว่าไปสู่ทุกคติตกยากหรือยากจนไม่มีข้าวและน้ำไม่บริบูรณ์เพราะประกอบไปด้วยผลของโลภะนะครับไปเกิดเป็นคนอดอยากหิวโหยเนี่ยนะนี่เป็นผลของโลภะบทว่ายะถากรรมูปเคความว่าในหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมตา ม, ตามที่ตนสั่งสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสั่งสมโลภะโทสะโมหะหรืออะโลภะอะโทสะโมหะเนี่ยนะครับ มันมีอิทธิพลต่อชาติตระกูลความสูงความต่ำความดำความเขานะครับรูปงามรูปไม่งามมีทรัพมากทรัพน้อยฉลาดเฉลียวได้ดีตกยากสุขติทุกติเนี่นะครับเนื่องมาจากโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะนะครับข้อการพูดถึงเรื่องโลภะเนี่ยบางคนไปเกิดในตระกูลที่ไม่ดำรวยนะแต่ว่า เกิไปค่อนข้างจะสบายสบายยังไงครับก็พ่อแม่เขาเอาไปครูหนีมาให้จะใช้จะจ่ายอะไรส่งเรียนอะไรเขาก็หามาให้สบายหมดคนที่ลําบากนี่คือพ่อแม่แต่ว่าคนที่สบายลูกใ น, นที่นี้ลูกเป็นผลของขอ ง, อของบุญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็าผลบุญของลูกนะครับ ทำให้เกิดมาสบายนะแต่พ่อแม่ก็ไม่ใช่ผลบุญนะนะที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อตางน้ําเป็นต้นเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นว่าลูกนี่ทําบุญมาไม่สมบูรณ์นะครับทําบุญมาไม่ดีพอนะตอนทําบุญก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินที่มาเลี้ยงตัวเองก็ยังเป็นทรัพย์สินที่ไปกู้นี่ยืมสินมานะครับแสดงว่าตัวเองก็บุญไม่ดีนักนะครับพ่อแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับ ส่วนผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็นะครับแสดงว่าทําเหตุมาไม่ค่อยดีนักนะครับจะต้องอาบเหงือต่างน้ําเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เห็นว่าเอออดีตทํามาไม่ดีแล้วก็ได้ดูปัจจุบันด้วยนะครับว่าอนาคตก็พอจะพยากรณ์ได้ว่าชาติหน้าเนี่ยควรจะเหนื่อยทถ ก, กวันนี้หรือเหนื่อยเท่านี้ดีนะครับก็เนื่องจากเหตุในปัจจุบันนั่นเองนะครับคือของเก่ามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันทําเสร็จสิ้นไปแล้วแล้ววิบากมันก็ให้ผลแล้วเพียงแต่ว่า มันก็เหมือนกับให้เราได้มองสะท้อนถึงตาเก่าที่เคยทำมาไว้นะครับแล้วจะได้ปั๊มอันใหม่ลงไปนี่ว่าจะทำอะไรดีนะครับบรรดาบทเหล่านั้นกิจของที่พจักรสุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยบทเมียที่ว่าปุริมีหิจวามานีดังนี้ก็ด้วยบทนี้เป็นอันพระองค์ตรัสถึงกิจของญาณที่ต้องนำเข้าไปกำหนดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม หรือว่ายะถากรร ม, มูภาคยานนะครับยานที่ยังถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะและลำดับแห่งการบังเกิดขึ้นของยานนี้ดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอาโลก ะ, กะสินก่อนนะครับทำที่ประจักษ์สูตรนี้ต้องอาศัยอโลกะสินนะครับแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังนรกเบื้องล่างนะครับย่อมเห็นเหล่าสัตว์นรกกำลังเสวยทุกอย่างมหัน การเห็นนี้เป็นกิจของที่พจักขุยานอย่างเดียวก็พิสูจนนั้นมานสิการอยู่อย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านี้กระทากรรมอะไรเนาะแล่จึงเสวยทุกเช่นนี้ลำดับนั้นยานมีกรรมนั้นเป็นอารมณ์ว่ากระทํากรรมชื่อนี้จะเกิดแก่พิสูจน์นั้นนะครับนี่เรียกว่ายะถากรรมมูปะค่ายานะเห็นก่อนแล้วก็ปลาลบเออทํากรรมอะไรมาก็รู้เลยอ๋อกรรมนี้กรรมนี้กรรมนี้มานะครับนี่ถ้าสมัยพุทธกาลนะ พระพุทธเจ้าเห็นเนี่เราเล่าให้ฟังหมดเลยสมบัตินี่ทําเหตุอย่างนี้อย่างนี้มานะไปดุอย่างนั้นอย่างนี้มาเลยนี่ผิวพัรุ์แบบนี้นะทำไมนั้นตณีย่นั้ น, นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเล่าให้ฟังหมดเลยอ ย, อ, นะอย่างนี้นะครับมอย่าไปทําใหม่อีกนะอย่างนั้ในเบื้องบนก็เหมือนกันนะครับว่าภิกษุเจริญอะโล ก, กะกะสินมุ่งหน้าตรงไปยังเทวโลกยอมเห็นสัตว์ทั้งหลายในสวนนันทะวนันสวนมิกสกาวันและสวน ปารุสกวันเป็นต้นกําลังสเสวยสมบัติอยู่แม้การเห็นนี้ก็จัดเป็นกิจของทิพจักขุยานเหมือนกันพิสูจน์นั้นก็มน ส, สิการอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านี้กระทํากรรมอะไรเนอแล่จึงสเสวยสมบัตินี้ลําดับนั้นเธอจะเกิดยานที่มีกรรมนั้นเป็นอารมณ์ว่าทํากรรมชื่อนี้นี้ชื่อว่ายะถากรร ม, มูปคฆาญ ย, ยานที่จะต้องเข้าถึงยานที่จะเข้าไปกําหนดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมนะครับ แม่ยาถากรร ม, มูปค้ายานนี้ก็ไม่มีการแยกบริกรรมแม้อนาคตังสยานก็ไม่มีการแยกบริกรรมเหมือนยถากรร ม, มูปข้ายานฉะนั้นยานเหล่านี้มีทิพคุทิพจักขูยานเป็นบาททั้งนั้นย่อมสำเร็จพร้อมกับทิพจักขูญานคือถ้าทำตาทิพได้นะครับก็จะมียถากรร ม, มูปข้ายานและอนาคตังสยานสา ม, มารถที่จะยั่งรู้อนาคตได้นะครับ นะครับส่วนคำว่าทำกายยทูจริตเป็นเหตุให้ไปตกนรกนะครับสุจริตเป็นเหตุให้สุขติโลกสวรรค์นี้ก็เคยเรียนมาแล้วกันทั้งนั้นนะครับบัท่านบอกว่าเคยพูดไว้แล้วอเอราคครับคำว่าไม่แยกบริกรรม ไม่ความอะไรครับก็ไม่ต้องไปฝึกฝนไม่ต้องไปทำอภิญญาอย่างอื่นเป็นพิเศษอะไรนะครับคือสําเร็จเป็นผลพวงมาจากที่ปัจจคุยอยู่แล้วนะครับคือถ้าได้ที่ปักจคุณะยานเหล่านี้ก็ได้แน่นอนวางั้นนะแต่จะมีแรงมีกําลังมากจะระลึกได้ไกลได้ใกล้ก็สุดแท้แต่บุญอย่างอื่นๆด้วยนะครับในวาระนี้วิชาที่สัมปยุด้วยที่ปัจจคุยานชื่อว่าวิชาอวิชาที่ปกปิดจุติและปฏิสนธิของสาตร์ทั้งหลายชื่อว่าวิชาคําที่เหลือก็มีในดังกล่าวแล้ว ส่วนในวิ ช, ชาที่สามนะครับวิ ช, ชาที่สามก็คืออาสวัคคายานนั้นพระองค์ตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอได้บรรลุวิ ช, ชาที่สามนี้กําจัดอวิ ช, ชาได้แล้ววิ ช, ชาเกิดขึ้นแล้วกําจัดความมืดได้แล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปียนมีตนส่งไปอยู่นี่นะครับน น, นท่านก็บอกว่า เ, าเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาหรือเกี่ยวกับเรื่องการแทงตลอดอริยสัตว์นั้นก็เคยอธิบายมาแล้วทั้งนั้นนะครับท่านก็ไม่มีอะไรพิเศษส่วนข้อความในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวผู้ละลึกถึงชาติก่อนได้เห็นทั้งสวรรค์และอบาย และถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือมรรคพรจรรย์เนี่ยนะเพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นผู้มีวิ ช, ชาสามนะครับด้วยวิ ช, ชาสามว่าเป็นพรามเราไม่กล่าวบุคคลอื่นผู้มีการกล่าวตามที่เขากล่าวไว้ว่าเป็นพรามนะครับในคาถาทั้งหลายมีความย่อ ด, ดังนี้ว่าภิกษุดได้รู้แล้ว คือได้บรรลุซึ่งปุเพนิวาสยานตามที่กล่าวแล้วได้แก่รู้โดยทาให้ปรากฏตามนัยยะที่กล่าวแล้วคือระลึกได้ทั้งหมดนะครับบทว่าโยเวที่กมีอธิบายว่าภิกษุใดกระทำปุเพนิวาสยานให้ปรากฏดำรงอยู่แล้วนะครับคือระลึกชาติได้นะหรือว่าย่อมเห็นสวรรค์กล่าวคือเทวลโลก26ชัน้นและอบาย4อย่างด้วยที่ประจักคูอันนี้ก็วิชาที่สอง บทว่าอัถะความว่าต่อแต่นั้นเธอถึงบรรลุพระอาหารหันต์กล่าวคือความสิ้นไปแห่งชาติหรือพระนิพพานนั่นเองลำดับนั้นเธอรู้สัจธรรมทั้งสี่อันพระอริยบุคคลพึงรู้ด้วยมักคปัญญาที่ตั้งมั่นเพราะอภินยาเชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์คือประสบความสำเร็จแล้วเพราะเสร็จกิจแล้วชื่อว่าเป็นมุนีคือเป็นพระขีนาศก เพราะประกอบด้วยโมนยธรรมนะโมนยธรรมทางกายวาจาใจนะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนะเชื่อว่าเป็นพรามผู้มีวิชาสามเพราะประกอบด้วยวิชาสามตามที่กล่าวแล้วเพราะลอยบาปได้แล้วโดยประการทั้งปวงด้วยวิชาที่สมต่อแต่นั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นเราตถาคตจึงเรียกพิสูน์นั้นแหละ ว, ว่าเป็นพรามผู้มีวิชาสามเราตถาคตไม่เรียกคนอื่น คือคนผู้มีการกล่าวตามที่เขาเรียกขานได้แก่บุคคลอื่นผู้ท่องบทแห่งมนต์มียชูเวศเป็นต้นนะครับว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชาสามเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นยอมรับพราหมผู้ผู้อะไรครับครับผู้ได้วิชาสามมีระลึกชาติได้เป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นพรามณ์ในที่นี้นะครับพอการครับเอ่อเทวโลก26่ชั้นนี่ท่านหมายถึงภู ม, มโลก ก็นับตั้งแต่ชั้นดาวดึงเป็นชั้นจาตุมเป็นต้นไปนะครับอรูปรรประพรมครับผมเว้นอบาซีนะครับเป็นต้นนะครับเก็ขอภายนะครเพราะว่าอารูปประมก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะด้วยที่ประจกักษ์โสนนะแต่ก็รู้ด้วยด้วยอย่างอื่นเนเนาะอันนี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะครับ